ข้อค้อนุโมทนานะวันสงการานก็ปิดหลายวันก็อุตส่าห์พากันมาวัดก็แสดงให้เห็นว่าเรานี่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์อันนี้ก็ มันบอกให้รู้ว่าเรามีสติมีปัญญาพอที่จะรองรับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้จิตของเรามีที่พึ่งแต่ก่อนเราไม่มีที่พึ่งเราก็เลยหลงทางกัน เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดกับสาวคของพระองค์นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ก่อนเรากับเธอเนี่ยไม่รู้ในอริยสัจสีจึงต้องเวียนว่ายตายเกิด น, นวตาสงสารเป็นเวลาอันยาวนานมากนี่ก็เหมือนกันน่ มาพบกันก็ตองมาพูดกันให้กำลังใจกันเพื่อหาทางออกจากทุกข์ในวัฏสงสารกันวันบางทีเห็นหน้าต้องถามนะไปนิพพานใช่ไหมเอาใช่ไหมหมายว่าถึงเวลาแล้วนะต่อไปไม่เจอกันอีกแล้วนะพูดง่ายๆนะเนี่ยตรงไปตรงมาเลยว่าเออที่เคยเกี่ยวข้องกันมานะ่ะพอแล้วนะ สิ้นสุดกันชาตินี้แล้วถ้าจะเอาก็เอาเสียเร่งเสียรีบปฏิบัติเสียทุกคนแหะที่มาเนี่ยหมายความว่าเคยพบกันมานานแล้วถึงเวลาคราวนี้ต้องมาสแสวงหาทางออกให้กับจิตใจแล้วเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทุกนี้ยาวนานมากเพราะนั้นต้องหาทางออก คือถ้าไม่ออกกับทุกเนีน่ยคนที่ยังไม่รู้ก็ยังคิดว่ามันเป็นสุขอยู่ก็มีคนที่ใครคิดว่ามันการชีวิตเนี่ยมั น, ม, นมันมันมีความสุขก็เลือกได้เดินได้จนกว่าจะเห็นทุกขจนกว่ามันจะเบื่อในในทุกขเนี่ยวันนี้ก็มีคณะหนึ่งมาที่เรามาจากวัดบ้านซางขุยอะ ก็ถามแบบนี้แหละทางพันิพาณมีใครไม่รู้จักบ้างรู้จักหมดแล้วรู้จักก็เอาไปปฏิบัติซี่ตาสงสารนี่มันทุกข์มากตอนเกิดก็ไม่ได้เ อ, อะไรมาบอกองี้ตอนเกิดก็ไม่ได้เ อ, อะไรมาตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สมบัติทั้งหมดที่หาไว้ทิ้งไว้คู่โลก มันเป็นสมบัติของโลก เ, เป็นของโลกจริงๆนะแต่ก่อนนี่มนุษย์เกิดที่แรกไม่ต้องกินอาหารมีแสงสว่างในตัวเองด้วยพระอาทิตย์ก็ไม่มีเนี่ยมนุษย์แรกๆเลยเป็นอย่างนั้นนะมาจากพรหมพรหมมาเกิดเป็นมนุษย์คือพวกที่ทำสมาธิแล้วไปเกิดเป็นพรหมพอโลกของเราเนี่ยมันเกิดไฟ เผาผลาญดวงอาทิตย์ดวงเผาผลาญโลกสลายไปหมดแล้วต่อมาโลกก็เริ่มรวมตัวกันใหม่นี่ยอุบัติขึ้นมาใหม่นี่เป็นธรรมชาตินะโลกเราเนี่ยเกิดขึ้นไม่มีใครสร้างหรอกธรรมชาติถึงเวลาแล้วเต็มไปด้วยน้ำพรมเหล่านั้นมาเกิดมาเกิดก็มีแสงสว่างในตัวเองอาหารก็ไม่ต้องกินอิ่มอยู่ตลอดไม่มีเพศต่อมาก็มีงินดินลอยมา พรมบางคนก็สงสัยพรมพวกมนุษย์นี่แหละที่มาจากพรมนะ่ะเกิดความสงสัยก็เอามือไปจิ้มแล้วก็ลองลิ้มดูลิ้มรสของมันซานไปทั่วร่างกายเลยรู้สึกว่าอร่อยอร่อยเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วไปบอกคนนั้นคนนี้ก็จิ้มพิษรสชาติกับซ่านออกไปก็เลยอยากอาหารขึ้นมาที่นี่ เนีย ม, มันมันมันงินดินก็นเป็นธรรมชาตินะไม่ได้ว่าใครสร้างขึ้นมานะเป็นอาหารที่บริสุทธิ์เลยละต่อมาก็เวลาหิวเมื่อไหร่ก็ไปไปกินงวนดินนั้นต่อมาก็บางคนก็ขี้เกียจอ่อาไม่ต้องไปบ่อยๆอรเอามาตุนไว้นี่เริ่มเกิด ปัญหาขึ้นมาแล้วหัวนดินก็เริ่มรล่อยล้อที่นี่แปลกนะดูสีอากุศลภายในจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเริ่มโลภปับ๊บไองัวนดินก็ล่อยล้อลงไปทันทีเลยน้อยลงทีนี้ก็เริ่มมันน้อยแล้วก็มีการแบ่งปันก็ต้องมีหวัวหน้ามีพระราชาขึ้นมาต่อมาไอไอ พอความอยากมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจากงวดดินก็เปลี่ยนเป็นเมล็ดข้าวข้าวก็ใหญ่ๆด้วยนะไม่มีแกบสุกเลยกินได้เลยนี่ข้าวแต่ก่อนนี้นี่ก็เป็นธรรมชาตินะพวกข้าวพวกอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปหาซื้อมาอย่างเดียวนี้นะไม่ใช่ของฉันของฉันของกูของกูนะเป็นธรรมระบบธรรมชาติหมดเลยนี้ก็ต่อมาก็เริ่มเพ่งมองกัน เกิดความรักใคร่ขึ้นมาเพ่งมองก็เพศก็เกิดขึ้นผู้หญิงผู้ชายเกิดขึ้นเนี่ยนี่ธรรมชาติหมดเลยสร้างสารรค์ขึ้นมาเกิดจากอํานาจของกิเลสตัณหาหมดต่อมาเมล็ดข้าวก็พอมีความอยากมากก็เอามาเก็บมากักมาตุนเมล็ดข้าวก็รีบลงรีบลงเด็ก ล, ลงเด็ก ล, ล ง, ลล ง, ลลงมีแกบด้วยออํานาจอากุศลนี่เปลี่ยนเลย จากอายุยืนเป็นล้านปีก็ลดลงเป็นแสนเป็นหมื่นต่อม า, อายุค ข, ของเรานี่อายุก็ลดลงแล้ะจากร้อยปีลดลงมาเหลือครึ่งหนึง่งอายุนี้กึ่งพุทธกาลเนี่ยเจสบห้าปีด้วยเจสบห้าปีไม่ถึง อายุเฉลี่ย75น้อยลงน้อยลงน้อยลงดูสิเนี่ยอกุศนก็มากขึ้นแล้วการแข่งแย่งชิงผลประโยชน์กันเยอะขึ้นความเห็นแก่ตัวมากขึ้นชนิดที่ลืมไปเลยลืมนึกถึงคนอื่นเลยความเห็นแก่ตัวเ ม, เ, ม เ, มเมื่อเห็นแก่ตัวแล้วก็ต้องเพื่อตัวเองเพื่อพรรคพวกเพื่อบริวารญาติพี่น้อง ก็คือการแย่งชิงกันอายุก็สั้นลงเรื่อยอกุโซมนมันเจริญขึ้นแล้วอายุสิบปีเมื่อไหร่ฆ่ากันตายเียมิกสันเยอเกิดขึ้นอันนี้เป็นวัฏฏสงสารเพราะนั้นสมบัติทั้งหมดนี่เป็นของโลกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ความหลงว่ามีตัวเรา มันก็เลยมีของของเราทีนี้เวลาจะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติหาทางออกให้ตัวตนเนี่ยมันลดลงไปตัวเราเนี่ยไอความหลงที่ว่าเป็นตัวเราเนี่ยน้อยลงไปพอตัวนี้เป็นเป็นอุปทานมันเป็นตัวการสาคัญที่ให้คนเนี่ยเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาเพราะมันทำเพื่อตัว ต, วตน ทำเพื่อตัวเราของเราก็เกิดขึ้นมีตัวเราก็มีของเราเราะนั้นเมื่อมาแล้วเนี่ยก็มาเพื่อที่จะศึกษาคำสอนของมูติเจ้าให้เข้าใจแล้วก็หาทางออกเริ่มต้นก็ต้องปรับจิตตัวเองซะก่อนให้มีพื้นฐานทางจิตใจที่พร้อมที่จะรับธรรมะเข้าไป พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมนั่นคือความดีทั้งหลายธรรมพอทำแล้วใจเรามีความสุขความสบายทานทำเลือเฟอื้อซึ่งกันและกันทำได้สิ่งเป็นกุศลนะทำได้พอทำแล้วมันไม่เดือดร้อนใจทีหลังศีลรักษาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทางดำเนินไปมันต้องเป็นแบบนี้ถ้าทำไม่ดีไม่ถูกต้องปับ๊บจิตลุ่มร้อนทันที กั้นขวางเลยทีนี่พอจิตไม่สบายปับ๊บสมาธิมันเกิดไม่ได้สติคุ้มจิตไม่อยู่จิตก็ไม่เป็นสมาธิพื้นฐานก็สำคัญเมื่อมีพื้นฐานจิตใจพร้อมแล้วก็เจริญสติใครสติยังอ่อนก็ต้องพยายามเจริญสติให้มากเพราะสตินี้หน้าที่ของมันคือควบคุมจิต ถ้าแปลก็คือว่าระลึกได้แต่มันระลึกได้คือระลึกรู้ที่จิตวควบคุมจิตเอาไว้คุมคองจิตรักษาจิตเพราะนั้นถ้าใครอยากสงบก็คือเหตุของมันต้องเจริญสติแล้วสติจะคุมจิตไว้เมื่อสติคุมจิตไว้จิตก็จะอยู่กับตัวเรามันอยู่กับตัวเรามันก็อยู่อารมณ์เดียวนานขึ้น พออารมณ์เดียวนานขึ้นมันก็เป็นสมาธิพอมันเริ่มอยู่กับอารมณ์เดียวมันก็เริ่มสงบสงบก็คือว่าสิ่งที่เคยปรุงแต่งจิตนมันระ ง, งับไปเมื่อมันสงบแล้วมันก็เป็นสมาธิสังขารที่ปรุงแต่งจิตก็ดับไประ ง, งับไปถ้าสติมีกําลังมากขึ้นสมาธิก็นานขึ้นด้วยนานขึ้นเลยโดยไม่ต้องอยากเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมไม่ต้องมีความอยาก เพียงแต่สร้างเหตุให้ถูกต้องพอใจสร้างเหตุพอใจปฏิบัติส่วนผลไม่ต้องไปอยากถ้าอยากเมื่อไหร่มันจะผิดปกติทันทีเลยจิตเร็วมากเลยนะบางทีเราไม่รู้สึกหรอกว่ามันมีความอยากตั้งแต่เมื่อไหร่บางทีปฏิบัติไปเพียรมากขึ้นมากขึ้ น, นความอยากมันเกิดขึ้นทีละนิดทีละนิดไม่รู้เลยว่าตัณหามันแทรกเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่ มันก็ทำให้เกิดนูน่นเกิดนี่ขึ้นมากมายเพราะนั้นต้องพยายามเตือนตัวเองอยู่เรื่อยพอใจสร้างเหตุพอใจปฏิบัตินี่แหละทางอุติเจ้าเป็นอย่างนี้เมื่อพอใจปฏิบัติแล้วสติมีกําลังขึ้นมาคุมจิตได้มากขึ้นแล้วเขาต้องเจริญสติต่อไปอีกคุมจิตได้มากขึ้นสมาธิก็แน่วแน่มากขึ้น ครานี้เมื่อสติมีกําลังแล้วอะไรเกิดขึ้นก็เริ่มรู้ที่นี่ น, น, นั่นนี่เริ่มมีสติสัมปชัญญะแล้วเพราะนั้นมันนิ่งอยู่เฉยต้องพยายามให้มันออกมารู้มันจึงเป็นสติสัมปชัญญะถ้าว่ามันนิ่งนิ่งมันตามอารมณ์อยู่ทีแรกมันก็ตามอารมณ์ไปก่อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยมันจะหลุดออกไปมันจะวิ่งไปทางโน้นทางนี้ก็ต้องคุมไว้ มันจำเป็นต้องคุมเพราะนั่นนี่สมถะก็มีประโยชน์พอว่ามันต้องการให้จิตเนี่ยมันสงบมันระ ง, งับมันมีอารมณ์เดียวแต่พอมีอารมณ์เดียวนานขึ้นสติมีกำลังแล้วไม่ต้องคุมทีนี่ดูเฉยๆก็ได้เหมือนเปิดเปิดจิตออกมาดูเฉยๆอะไรเกิดขึ้นรู้รู้รู้ นี่เรียกว่ามันมีสติสัมปชัญญะแล้วแต่ถ้าหาว่ามันคุมแล้วมันนิ่งพอเราเริ่มปล่อยมันหลุดนี่แสดงว่ากําลังมันน้อยกําลังสมถะยังไม่พอจเจริญสติสัมปชัญญะยังไม่ได้บางทีก็ต้องให้มันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ หรือว่าให้มาเจริญสติปัฏฐานสีก็ได้พอมันมันเริ่มรู้ตัวแล้วมันเริ่มปล่อยละมันไม่ต้องคุมแล้วก็เอามาเจริญสติปัฏฐานสี่ดูกายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างทำธรรมอารมณ์ในนี้คือธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เกิดกับใจเพราะฉะนั้นบางคนมันจึงต่างกันบางคนก็ดูลม บางคนก็ดูอาการ 32, สบองบางคนก็ดูการเคลื่อนไหวบางคนก็ดูทั้งก้อนดูอาการของร่างกายบางคนดูศักดิศรดูให้เห็นว่าเป็นศักศรเป็นอสุภะเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอันนี้ต้องผ่านการเจริญสติสติคุมจิตได้จิตเริ่มอยู่กับตัวเองแล้ว ก็ต้องให้มันแน่วแน่จนมันตั้งมั่นมันตั้งมั่นไหมว่ามันเป็นกลางสมาธิที่จิตเป็นกลางพร้อมที่จะรู้อารมณ์มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันเป็นกลางกลางอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อจิต ดีมาจิตก็ยังเป็นกลางได้ไม่ดีมาจิตก็ยังเป็นกลางกลางได้นี่แหละสมาธินี่มันจึงมีประโยชน์เดี๋ยวเรื่องโน้นเข้ามาครอบงำจิตจิตก็ไหลไปกับอารมณ์นั้นนี่แสดงว่าจิตยังไม่ตั้งมัน่นสมาธิกำลังยังไม่พอแล้วต้องจเจริญสติต่อไปอีกดีมาก็ไหลไปกับความดีทั้งหลาย ฟุ้งซ่านไปฟุ้งแต่งไปไม่ดีมาก็ฟุ้งซ่านไปทางไม่ดีฟุ้งแต่งไปทางไม่ดีนี่คือจิตยังไม่มีกำลังยังไม่เป็นกลางอารมณ์อะไรมามันยังมีอิทธิพลต่อจิตสามารถดึงดูดจิตไปทางดีและทางไม่ดีได้ทำให้จิตเกิดความยินดียิน้ายได้จิตสูญเสียความเป็นกลาง ขาดความสมดุลทางของพุทธิยาวเป็นทางสายกลางเพราะนั้นต้องปรับจิตให้เป็นกลางให้ได้เมื่อนเป็นกลางแล้วอารมณ์อะไรเกิดขึ้นรู้แล้วก็มันก็จะเห็นว่าเอออารมณ์เหล่านั้นอ่ะมันเกิดดับไปทีแรกก็มันยังไม่รู้หรอกแต่ให้มันดูไปก่อนรู้อารมณ์ทั้งหลายไปก่อนนี่เรียกว่าจเจริญสติสัมปชัญญะ ให้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมตัวสตินี่หมายว่าอารมณ์เกิดขึ้นทีแรกอะ่ะมันจมันปั๊บเข้าไปจออยู่ทีนี้ถ้าอะไรเกิดขึ้นอีกมันรู้กว้างขึ้นเนี่ยเรียกว่าสัมปชัญญะรู้แล้วก็เข้าใจมากขึ้นมีสติมีสัมปชัญญะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่ประโยชน์รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ รู้ว่าทายังไงจิตของเราจึงอยู่กับตัวเราได้นานขึ้นรู้ยังไงมันนิ่งพอดีกับจิตเราจิตเราเป็นกลางกลางได้มีตัวสัมปชัญญะมันค่อยรู้ขึ้นถ้าจิตออกไปข้างนอกรู้สึกว่าโอ้มันไม่ค่อยสบายถ้าจิตอยู่กับตัวเราเนี่มันสบายนี่ตัวสัมปชัญญะมันมีความรู้เพิ่มขึ้นคือตัวปัญญาแต่เป็นปัญญาอ่อนๆซะก่อนปัญญาเบื้องตน้จนจะนนว่าพัฒนาไปเรื่อย แล้วก็จะเห็นเป็นรัวอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ทีนี้มันเห็นนี่ที่เห็นนี่คือเห็นในขันห้าพอจิตอยู่กับตัวเราแล้วมันก็เห็นเรื่องกายกับจิตของเราสิ่งที่มันเกิดภายในตัวเราก็คือกายเราจิตเรากายก็มีเวทนากายจิตก็มีเวทนาทางจิตมีความรู้สึกต่างๆเพราะนั้นมันจึงมี สติปัฏฐานสี่ยังมีกายมีเวทนามีจิตสิ่งที่จิตไปรู้เขาเรียกว่าธรรมารมณ์เขาเรียกว่าธ um รรมหรือว่าแม้กระทั่งเห็นพระไตรลักษณ์ก็คืออารมณ์ที่จิตไปรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี้ก็เรียกว่าธรรมธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูธรรมสรุปแล้วก็คือกายเวทนาจิตธรรม หรือก็คือมารู้ในขันห้ารูปปัถานเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ข น, ขนวิญญาณขันว่ามันเป็นพระไตรลักษณ์ว่ามันเปลี่ยนแปลงว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราก็คือเห็นพระไตลักษณ์เห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกำลังมันมากพออริยมรรครวมตัวทุกอย่างเป็นเองหมดที่นี่รู้ความจริงหมดจด ปรหารกิเลสได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้พูดกรอบกรอบอกว้างให้เห็นตลอดสายเพื่อเราจะมาพิจารณาว่าเราเนี่ยเป็นยังไงการปฏิบัติของเราเหมือนกับว่าเรารู้เรารู้ภาพรวมว่าปฏิบัติแล้วจะเป็นยังไงทีนี้เราก็มาดูว่าเราปฏิบัติเนี่ยของเราอยู่ระดับไหนั้งว่าเรายังบริกรรมอยู่นี่แสดงว่าสติเบื้องต้นก่อน กำลังเจริญสติอยู่บริกรรมก่อนไม่ต้องอยากสงบไม่ต้องอยากได้สมาธิไม่ต้องอยากได้ปัญญาอะไรทั้งนั้นเพราะสตินี่เป็นเหตุต้องสร้างเหตุตรงนี้ซะก่อนให้กําลังมันพอซะก่อนในเมื่อกําลังมันยังไม่พอเราไปอยากมันก็มีประโยชน์อะไรเพราะว่าความอยากนี้จะขัดขวางการปฏิบัติเพราะไม่ต้องอยากเรารู้แล้วว่าเออขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้เราต้องเจริญสติประฐานอาจต้องเจริญสติเบื้องต้นก่อนกรรมฐ า, านเบื้องต้น สมาธิมันจะค่อยๆมีกําลังเพิ่มขึ้นความสงบมีกําลังเพิ่มขึ้นสมาธิมีกําลังเพิ่มขึ้นต่อมามันมนแนวแน่แล้วที่นี่มันปล่อยได้แล้วมันพอที่จะรู้อารมณ์ได้เราค่อยออกมารู้อารมณ์ให้มันออกรู้ได้ตอนแรกๆนี่รู้ไม่ได้เพราะมันหลุดพยายามที่เอาไปรู้มันก็เหนื่อยเพราะกําลังมันไม่พอ เพราะนั้นเราก็เอาความพอดีไม่ต้องรีบร้อนควรบริกรรมบริกรรมไปก่อนควรดูลมดูลมไปก่อนลมเข้าพุดลมออกโทก็ได้พองน้อยยุบนอก็ได้กรรมฐานเบื้องต้นไม่ว่าเจริญแบบไหนก็เหมือนกันหมดมีสติสติมันก็จะเป็นสภาวะอันเดียวกันคือคุมจิตตัวที่มาคุมจิต สมาธิอันเดียวกันคือการที่จิตของเราอยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานขึ้นไม่ว่าจะเป็นพุทโธไม่ว่าจะเป็นอาณาปานาสติไม่ว่าจะเป็นพองหนอยุบหนออันเดียวกันหมดบางทีก็ครูบาอาจารย์บางคนพยายามที่จะอธิบายว่าพองหนอยุบหนョนี่เป็นวิปัสนาวิปัสนาเนี่จิตมันต้องไปถึงเวลาของมันมันนี่เป็นวิปัสนาจะไปเรียกกันมันก็ไม่ใช่ เพราะมันยังไม่ถึงขั้นมันยังแค่เบื้องต้นเฉยๆกรรมฐานเบื้องต้นเพื่อให้จิตอยู่สติคุ้มจิตไว้เพราะนั้นบางทีก็ไปตั้งสำนักสำนักวิปัสสนามันไม่เกี่ยวสำนักเกี่ยวกับสำนักมันเกี่ยวกับจิตของแต่ละคนว่าปฏิบัติไปถึงเวลามันหรือยัง ถ้าปฏิบัติไปสติคุ้มจิตได้แล้วมันก็เป็นสมาธิแล้วมันก็ยังไม่ถึงขั้นวิปัสนาเมื่อเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วอะไรเกิดขึ้นมันเริ่มออกรู้ก็เป็นสติสัมปชัญญะเมื่อรู้นานขึ้นนานขึ้นมันมีกำลังแล้วก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเห็นปัตติลักษณ์เป็นวิปัสนาละมันวิปัสนามันเรื่องของจิตของแต่ละคน ก็เอาเอาไปตั้งชื่อสำนักว่าเป็นสำนักวิปัสนาคนที่ไปปฏิบัติก็เลยหลงว่าไปปฏิบัติวิปัสสากันถ้ามันไม่ถึงเวลามันก็ยังไม่เป็นวิปัสนาทีนี้ไปที่ไหนก็ตามที่นี่เรามีสติที่นี่คุมจิตไว้จิตเริ่มอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นสมาธิแล้วเป็นสมถ า, าก่อนต่อมา จิตมีกําลังขึ้นมามันก็ออกรู้ได้ก็เป็นสติสัมปชัญญะเราอยู่ตลาดเนี่ยเราเห็นจิตเรามันเกิดแล้วก็ดับเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดแล้วก็ดับเห็นพระตรละขึ้นมามันก็เป็นวิปัสนาแล้วไม่อยอมไปสํานักวิปัสนามันยิงเป็นวิปัสนาหรือจิตของเรามันรู้อารมณ์ แล้วก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นพระไตรลักษณ์ขึ้นมารู้อารมณ์ในทีนี้เนึ่งจาว่าจิตมันเป็นสมาธิอยู่ภายในมันก็มารู้ขันห้าหรืออารมณ์ข้างนอกมากระทบมันก็กทบจิตมันก็เห็นจิตอามีอาการอย่างไรมีอาการอะไรเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปมันก็เห็นเป็นพระไตรลักษณ์ได้มันก็มารู้ที่กายรู้ที่จิตของตัวเอง อันนี้แหละเป็นทางของพระพุทธเจ้าสมัยก่อนพระพุทธเจ้าก็เที่ยวไปศึกษาหมดละ่ะในชมพูทวีปทุกอาจารย์เลยศึกษาแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ทางอ่ะจบหมดเลยจบหลักสูตรหมดแต่ก็รู้ว่าไม่ใช่ทางไม่เดิงมาฝึกเองที่นี่คิดว่าจะพ้นทุกได้นี่ ต้องเอาให้ทุกข์ยางหนักก็ไบิบำเพ็ญทุกขกะกะลิทุกขกะละกิริยาเพียนเต็มที่เลยเพียนเต็มที่ทีนี้นึกว่าจะหลุดพ้นมันไม่หลุดพ้นจนร่างกายมันจะแย่เอาก็คิดขึ้นมาว่าเออเราเพียนขนาดนี้แล้วไม่มีใครเพียนเท่าเราได้ ถ้าจะบรรลุต้องบรรลุแล้วแน่ๆนแสดงว่าไม่ใช่ทางน่าจะพ้นจากทุกข์หรือความสุขเนี่ยน่าจะเกิดจากปฏิบัติสบายๆก็คือมาทำสมาธิให้จิตสบายๆเป็นกลางๆซะก่อนเรียวกว่าทางสายกลางนี่นะเราจึงต้องได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพยายามจิตปรับจิตให้เป็นกลางๆไม่ยินดีไม่ยินร้าย ม, มันอยากได้ขนาดไหนเอาขนาดนั้นพอใจขอให้ได้ปฏิบัติแต่มันจะมีอุปสรรคเวลาปฏิบัติเนี่ยนิวร น, นิวรณเครื่องกั้นมีต้องตัดสารวจตั้งสติดีๆต้องเตือนตัวเองถ้ามันงว่วงถ้ามันซึมเราจะทำยังไงกระตุ้นกระตุ้นความรู้สึกของเรากระตุ้นจิตของเราให้มีกำลังขึ้นมา ไม่งั้นเราจะเสียเวลานั่งซึมอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ซึมอยู่อย่างนั้นน่ะบางคนนั่งทั้งคืนเลยนะแต่นั่งนั่งหลับอ่ะเอามีจริงๆนะบวชมาได้30กว่าปี30มพรรษาไม่ก้าวหน้าเลยอ่ะกิริยามล า, ายาตความเป็นอยู่เหมือนเด็กๆอ่ะเพราะอะไรเพราะมันหลับนั่งเมื่อไหร่ก็หลับเมื่อนั้น บางทีอะบางทีไปสอนนะเราเทศไปเทศไปเห็นลูกศิษย์นั่งหลับโมโหนะบางทีนะทำยังไงดีวะมองซ้ายมองขวานะอยากจะเอาอะไรขว้างใส่มแม้เราเทศจนคอแหบคอแห้งมานั่งสับประงกอยู่ได้ว ะ, ะแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอา้าง่วงง่ว ง, ง, ง, งไปตัวใครตัวมันช่างมัน เราก็ทําดีที่สุดแล้วเอ้ามันก็หาทางออกันกันนะจิตเนี่ยมไม่ได้เป็นทุกข์นะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างเราก็หมดความสามารถแค่นี้ละน ะ, ะมันก็เลยเฉยเสียทีนี่คนท่า ง, ง่วงต้องกระตุ้นตัวเองให้ตึงสอนตัวเองไว้ก่อนทุกครั้งก่อนจะนั่งถ้าใครติดง่วงติดซึม เออถ้ามันซึมลงไปเมื่อไหร่เราจะเตือนตัวเองระวังระวังแรงๆเลยระวังระวังดืมตาอะไรก็ว่าไปหรือเปลี่ยนกรรมฐานนะจ้องดูตัวง่วงดูตัวง่วงดูแรงๆบางทีมันก็หายได้นี่มันต้อง ม, มีอุบายด้วยไม่ให่ทำตามยถากรรม ตอนสมัยปฏิบัติอยู่ก็ง่วงเหมือนกันแต่พยายามแก้ไขอย่างที่ว่านี้กระตุน้นเดินมากๆ ก, กว่านั่งไปหาเดินในที่ที่มันทําให้จิตตื่นเอาหมดนั่งก็รอให้เวทนามันมาคือมันจะได้สู้ความง่วงหายตอนที่มันยังความง่วงอย่ ไ อ, ไอตอนที่เวทนายังไม่มาก็สู้กันท่องมนท่องพรท่องปาฏิโมกขลืมตาคือไม่ให้มันหลับอ่ะพูดไง่ายๆขอให้มันตื่นไว้ทําไงก็ได้ให้มีสติไว้ก่อนพอเริ่มเวทนามาปั๊บเอาแล้วทีนี้เอามาแล้วมาแล้วหลับเลยง่วงเลยหายหมดแต่มันต้องอดทน อ, อดทนแต่มันดีตรงที่ว่าความง่วงมันหาย บางทีก็บอกมันด้วยง่วงสิง่วงส่เ ง, ง, งียบเก็บเลยไม่ยอมง่วง เ, เพราะอะไรมันเจ็บจิตมันตื่นตัวข้านี้ก็สู้สติมันมีนี่ผู้เจ้าก็บอกแล้ว เ, เจ็บก็รู้ว่าเจ็บปวดรู้ว่าปวดเวทนาทางกาย เ, าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูเวทนาเออมันไม่ผิดนี่มันตรงอ่ะดูเลยดูทีนี้มันเจ็บ มันเจ็บก็มันไม่ค่อยสบายอ่ะแต่สติมีได้สติดูเวทนาอยู่เนี่ยสติตามดูเวทนาเอาถูกตรงกับหลักธรรมของพระเจ้ามีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีมีทั้งสติมีทั้งสัมปชัญญะด้วยยิ่งดีด้วยบางทีบางคนติดสงบนี่ มันติดความนิ่งอ่ะนิ่งเฉยไม่ยอมทำงานลองเวทนามาสิปับ๊บมันดูมันออกไปดูเวทนามันไปเห็นเวทนานี่แหละมีทั้งสติมีทั้งสัมปชัญญะแต่มันจะไม่ค่อยสบายที่นี่ไม่สบายนั้นเป็นเรื่องของเวทนาแต่ว่าตรงกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะว่ามีเวทนาตามดูเวทนา เวทนานุปสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูเวทนาเวทนานุปัสนาเวทนาทั้งหลายนุก็คืออนุแปลว่าตามปัศนาดูตามดูเวทนาเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูเวทนาถูกต้องหรือเวทนาสุ เวทนานุปสัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานสุสติมาวินิยโลกเกอพิชธาโทมนัสสังพิจารณาเวทนาในเวทนาเนืองเนืองมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินไในโลกนี้เสียให้ได้เราก็มาดูอยู่มันตรงไหมเวทนามาเนี่ยเราดูดูนั่นแหละคือพิจารณาก็ได้หรือ จะพิาณาแบบใช้โยนิสงมาสิการก็ได้เพรเวทนาเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายนี่แล้วจิตทําไมไปยุ่งนะสอนจิตไปเลยหรือเวทนามันอยู่ที่ร่างกายนี่นะ่ะเออร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานี่นะสุดท้ายมันต้องตายอยู่แล้วร่างกายเนี่ยแสดงว่าเวทนานี่มันก็ไม่ได้มีอยู่จริงอะ่ะมันเกิดขึ้นชั่วคราว เดี้มก็ดับไปหรือว่าแต่ก่อนไม่มีเรานั่งใหม่ๆยังมีเวทนาเอานั่งนานขึ้นนานขึ้นไ อ, ไอ้น้ำหนักมันกดทับลงไปมันก็มีเวทนาขึ้นมาถ้าเราลุกไปมันก็หายไปแสดงว่าเวทนาไม่มีตัวตนจริงเพราะฉะนั้นไม่กลัวมีเอาจิตมาสอนสอนจิตเราให้จิตมันรู้เรื่องเวทนาขึ้นมา ไม่ไม่ให้มันไปยึดเวทนาเรนก็เห็นว่านี่เวทนาขันเวทนาขันกองแห่งเวทนามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ใช่เราถ้าเราไปาเราเจ็บเอาหนี่หนี่มีตัวตนขึ้นมาแล้วนี่มีความหลงแล้วอยากให้มันหายมีตัณหาขึ้นมาอีกแล้วมีความอยาก ไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดอยากให้มันหายนี่เป็นตัณหานี่ละเหตุแห่งทุกข์เพราะนั้นต้องเห็นเห็นอาการของจิตด้วยเนี่ยตัณหามันเกิดต้องทันมันแล้วเวทนานี่มันก็เปลี่ยนแปลงด้วยบางครั้งบางจังหวะมันมันจิตของเรากำลังยังไม่พอี่มันแป๊บเข้าไปหาจิตตอนที่มันเป็นตัณหานี่มันจะมีความรุนแรงมันจะเสียดแทงมันทาให้เราทนไม่ไหว แต่ถ้าเราอดทนไปมันจะดับนี่ยตัณหาก็ดับได้เหตุแห่งทุกข์นี่ดับได้มันละได้มันดับได้มันจะเข้าหลักสติปัฏฐานเข้าหลักอริยสัจสีทันทีเลยทุกให้กำหนดรู้เทียบกับธรรมะหมวดไหนก็ได้ทีนี้เอามันทุกกายทุกใจอา้ากกำหนดรู้เข้าไป จนมันเห็นความทุกขว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติความทนได้ยากหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือมันบีบคั้นคาว่าทุก์นี่มันมีสองความหมายอันหนึ่งก็คือว่าบีบคั้นกายบีบคั้นใจอีกอันหนึ่งหมายความว่า มันเปลี่ยนแปลงไรไม่มีสาระไม่มีแก่นสารว่างเปล่าจากตัวตนเขาเรียกสภาวะทุกข์อีกอันหนึ่งคือมันเป็นความบีบคั้นบีบคั้นจิตใจบีบคั้นกายถ้าเราเห็นว่าเออล่างกายนี้เป็นธรรมชาติเรานั่งนานก็ต้องเจ็บก้มปวดเราเห็นเป็นธรรมดามันก็ไม่บีบคั้นใจทุกแค่ร่างกายนะไม่มาทุกข์ที่ใจ เราก็รักษาใจได้อย่างอื่นเกิดขึ้นก็เหมือนกันมันจะมารักษาจิตนี่แหละมาให้จิตเราเป็นทุกข์ทีีจิตมันเร็วบางทีเราเรานั่งไปบางทีมันก็อดไม่ได้แวบ ไ, ไปทางน้นแวบไปทางนี้เราก็ต้องยอมรับว่านี่ธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้าศาติจิตเรายังอ่อนอยู่มันจะเผลอไป คิดนึกปรุงแต่งไปรู้ตัวเมื่อไหอไร่เอาไมถ้าเราเข้าใจวิธีปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติไปได้ถ้ารู้สึกว่าง่วงต้องแก้ซะก่อนตรงนี้ลืมตาซะก่อนหรือทาออกกาลังกายอะไรซะก่อนให้มันตื่นซะก่อนไม่งั้นมันจะไม่เกาหน้ามันจะเสียเวลาต้องอย่ายอมให้มันไปซึม คือมันง่วงมันซึมนี่แสดงว่าไอ้ความง่วงความซึมครอบงําจิตละจิตของเรามันก็เลยตกอยู่ในภาวะง่วงซึมอยู่อย่างนั้นเราถอยออกมามาเป็นผู้ดูทีนี้มันก็ดึงจิตเรามาจ้องดูเลยเราเป็นผู้ดูเราเป็นผู้ดูเราก็จะเห็นอาการง่วงอาการซึมว่ามันเป็นธรรมาลมชนิดหนึ่ง น, น่าคราวนี้คราวนี้เริ่มเริ่ม เห็นว่าตัวง่วงตัวซึมไม่ใช่เราอีกแล้วเห็นพระไตรลักษณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยทำมานุปัสนาสติปฐานได้เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ปั๊บขึ้นสู่วิปัสนาได้บางทีต้องสอนตัวเองด้วยนี่กำลังปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้านะต้องอดทนนะ ต้องพยายามนะต้องสู้นะเจ็บปวดก็สู้ง่วงซึมก็ต้องสู้หาทางให้มันตื่นไว้เจ็บปวดขนาดนี้ไม่ถึงตายผู้เจ้าไม่กลัวตายนั่งก่อนจะตัดสรูนี่เอาเลยผู้เจ้านั่งปับลงไปแม้เนื้อเลือดเจือแด่ง เหลือแต่ห น, นังเอ็นหุ่มกระดูกก็ตามถ้าเราไม่บรรลุธรรมด้วยกําลังของลูกผู้ชายอย่างเราเราจะไม่ลุกจากบัลลังก์มีความเด็ดขาดเราต้องมีความเด็ดขาดบ้างเราก็าจะไม่ถึงเวลาเราไม่ขยับอย่างนี้ก็ได้ให้หัวใจมันเข้มแข็ง ข, ขึ้นมาบ้างปวดแค่นี้ไม่ถึงตายเนี่ย ถ้าใจยาขาจริงจงถึงจะเปลี่ยนเนีอย่างน้อยมันมีทางออกบ้างให้มันได้ต่อสู้บ้างพยายามมีสตินะรักษาใจให้เป็นกลางไว้ให้จิตเป็นกลางกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยยิ่งมีความเจ็บความปวดมึนชาทดสอบจิตเราเป็นกลางได้ไหมบางทีมันเสียดแทงเข้าไป เราแค่ดูมันนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ดับแล้วเนี่ยตอนนั้นหละตอนที่มันมีอาการที่รุนแรงนั่นแหละคือตัวตัณหาแล้วมันอยากให้เราขยับแล้วอยากให้เราเลิกแล้วอยากให้เรายอมแพ้แล้วเป็นเราขึ้นมาแล้วนั่นแหละตัวเรามันจะเจ็บปวดมีเราขึ้นมามันจะมีอาการมีทุกข์ขึ้นมาให้เห็นมีเราแล้วถ้าเราไม่ยึดมันก็เป็นกลางๆเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนา จิตก็อยู่ส่วนจิตกายก็อยู่ส่วนกายมันก็เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติแต่ถ้ารู้สึกว่าเป็นเราปั๊บเราเจ็บวูบเข้าไปหาจิตนี่แหละตัวตัณหามันเร็วอย่างนั้นนะแล้วแรงเสียดแทงจิตใจทำให้เราเป็นทุกข์นี่แหละเหตุแห่งทุกข์เนี่ยตัวตัณหาเนี่ยถ้าเราไม่จับดูจริงๆไม่ทันนะไม่รู้ว่ามันเป็นตัณหานนะเป็นเราแล้ว แต่ถ้าเราอดทนเราจะเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับเนี่ยทมทางของมุติเจ้าเป็นอย่างนี้แต่ถ้าใครที่กำลังทาเพื่อให้เกิดความสงบอยู่ก็ทำไปได้เลยนะอันนี้มันคนละส่วนนะสติปัฐานเบื้องต้นเราต้องคุมจิตไว้ก่อนก็ต้องคุมไปก่อนสำหรับบางคนที่มันสู้ได้หรือขั้นคุมนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราอดทนได้ บางทีมันก็ทําให้จิตมีกําลังได้เหมือนกันสู้ทนทําให้จิตมีกําลังฝึกความอดทนฝึกความเข้มแข็งของจิตใจมีสติมีสัมปชัญญะด้วยมีความอดทนด้วยมีขันติด้วยต่อ ม, มันพัฒนาขึ้นมันจึงมาเห็นว่าเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่จิตมันอยู่ที่ร่างกาย เป็นเรื่องของเวทนาไม่ใช่เร า, าเริ่มแยกแยะออกได้มากขึ้นยิ่งเจ็บถ้าเราปล่อยวางได้มันก็ยิ่งเห็นธรรมชัดเจนไม่ใช่ของเรามันอยู่ที่ร่างกายเอาจิตไปยุ่งทำไมสอนจิตได้ด้วยจิตมันปล่อยได้ด้วยจิตมันปล่อยก็คือมันรู้มันเข้าใจแล้วมันเลยปล่อยได้ ปล่อยได้ก็หมายว่ามันไม่ยึดเวทนาว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาไปจิตอยู่ส่วนจิตไปกายอยู่ส่วนกายไปจริงมันไม่มีตัวเราไม่มีของเราเนี่ยอริยสัจสี่ก็คือไม่เห็นว่าให้เห็นว่ามันเป็นแค่สภาวะธรรมไม่ใช่ของเราทุกข์ให้กาหนดรู้กำหนดรู้ลงไป อาจจะดูสภาวะทุกข์ดูลมเข้าลมออกเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเลื่อยไปก็ได้หรือมันมีทุกข์ขึ้นมาทางกายดูมันเห็นมันสภาวะทุกข์ที่มันบีบคั้นร่างกายทุกข์กายไม่ให้เขาถึงทุกข์ใจถ้ามันทุกข์ใจก็ตามดูจิตลงไปอีกจนมันดับไปถ้าทุกข์ดับก็แสดงว่าตัณหาดับ เกิดนิโรธขึ้นมาความดับทุกทุกไม่มีทุกไม่เกิดทุกดับไปแล้วเป็นนิโรธก็คือเราพยายามดูนี่แหละคือการปฏิบัติของเราพยายามอดทนพยายามดูพยายามปฏิบัติมีอริยมรักมีองค์8ดนี่แหละทุกสมุทัยนิโรธมักอยู่ที่จิตเตรียมตัวนะ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 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาไว้ที่จิตใจของเราแล้วก็ขุทิดบุญขออํานาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอํานาจพระสงฆ์จงดนบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติโย ด, ดาที่รักษาและนายเวรของข้าพเจ้าให้แก่ญาติโย ด, ดาที่รักษาและนายเวรของพ่อของแม่ สามีพัญญาลูกหลานพี่น้องภูมีพระคุณของข้าวเจ้าให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้อยู่ในบริเวณนี้ดววิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในบ้านในเรือนในที่ทํางานร้านค้าบริษัทโรงงานโรงแรมไร่นาชนที่ดินในสมบัติประสถานของข้าวเจ้า ให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กําลังต้องการบุญจากข้าพเจ้ า, าอยู่ในขณะ น, นี้ทุกชั้นทุกภูให้แก่ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือประเทชาตบ้านเมืองให้มารับบุญแล้วก็ช่วยหาทางออกให้แก่แต่ประเทเชประเทชาตบ้านเมืองโดยเถิดขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าเมื่อรับเอาบุญแล้วต้องการสิ่งใดคอยสมความปรารถนาด้วยอำนาจแห่งบุญที่ข้าพเจ้ า, าได้วิธิแทนแล้วนี้ เมื่อสมความพัถนาแล้วให้ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเกินน้นข้าวเจ้าทําสิ่งใดก็ให้มีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้มียิ่งขึ้นไปด้วยเถิดข้าวเจ้าจะมั่นทําบุญแล้วขอทิดบุญไปให้เนเรื่อยๆไปทำความรู้สึกมาเต็มใจให้บุญนะเราอุตส่าห์เดินทางมาด้วยความยากลําบากแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรม เต็มที่ในความตั้ง อ, อกตั้งใจเรียบร้อยและก็อุทิศบุญเต็มที่เรียกว่าทาเต็มที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินทางมาก็เหนื่อยยากลำบากอดทนมีเวลาปิดหลายวันก็พยายามดันดนมาหาที่ประพฤติปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็พร้อมที่จะอุทิศบุญให้บุญด้วยความเต็ม อ, อกเต็มใจเกินนี้ก็คงทาอะไรไม่ได้แล้ว เราได้ทำเต็มที่แล้วเต็มความสามารถแล้วได้ขนาดไหนก็ให้พอใจว่าเราได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วข้อสำคัญคือจะพยายามประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปวันนี้ก็พอแค่นี้นะ